ครับก็จะถามเล็กนเกียรตบุรุะครับเรื่องพุทธเพื่ อ, อ, อ, อ, อสังคมนี้มันคืออะไรครับคือพุทธศาสนาเนี่ยก็มีการตีความกันหลายแบบหลายแนวแต่พุทธศาสนาที่ที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เผยแพร่ ก, กันในในระยะหลังเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่เรียกว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นพุทธศาสนาที่เน้นเรื่องการฝึกจิตเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็บางบางบางทีถึงขั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกก็คือว่าโลกจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันใช่ไหมนี่อิงเกตพุทธิซึมเนี่ยมายของพุทธศาสนาที่สัมพันธ์ใส่ใจกับสังคมโลกภายนอกนอกจากฝึ ก, กจิตแล้วเนี่ยก็ยังมุ่งที่จะช่วยทำให้สังคมดีขึ้นหรือว่าลดความทุกข์ของผู้คน โดยมีแม่ตากรุณาเป็นแรงผักดันอันนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าครอบคลุมสิ่งที่เป็นสาระของพุทธศาสนาก็คือต้องเป็นไปเพื่อเกื้อกูลให้เกิดปัญญาและกรุณาปัญญาและกรุณาเนี่ยเป็นองค์คุณสำคัญของพู้เจ้านะพเจ้าเนี่ยพวกเนี่ยมีปัญญาจนเข้าใจความจริงของชีวิตหมดสิ้นซึ่งตัวตน จิตของพวกก็เลยเขยายกว้างเมตตากรุณาก็เลยไม่มีประมาณก็ทำให้พวกเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสบปรปสัตนะได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอันนี้การอันนี้ก็ควรจะเป็นคุณสมบัติของชาวพุทธด้วยคือว่าในด้านหนึ่งก็ฝึกตนให้เกิดปัญญาเข้าถึงความจริง และในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยมันก็ไ้ทำให้เราเนี่ยมีตัวตนเล็กลงมีเมตตากรุณามากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเขาให้คลายจากความทุกข์เปลี่ยนแปลงสังคมที่มันเอาระดับเปรียบผู้คนอันนี้ก็เลยเกิดความคิดที่เรียกว่า Engage Buddhism Eng เ n g a ก e แปว่าเกี่ยวพันนะบางทีก็แปล ง, ง่ายว่าเป็นพุทธศาสนาพุทสังคมแต่ที่จริงมันก็คาตอบก็ คำแปลนี่ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเป็นพุทธศาสนาที่มีทั้งสองมิติซึ่งถ้าผู้อยากจากพุทธะคือว่าทำให้เกิดความสงบเย็นและเป็นประโยชน์อาจารย์พุทธะบอกชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นเพราะว่ามีปัญญาเข้าใจความจริงจงกนกระทั่งความทุกข์เนี่ยมันไม่สามารถจะครอบงำจิตให้รุมร้อนได้ และขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์คือไปช่วยเหลือสรัปสัพช่วยเหลสังคมสงบเย็นไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ใช่พุทธไม่ใช่ชีวิตที่ดีเป็นประโยชน์แต่ชีวิตไม่สงบเย็นมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่ดีแล้ะนั่นก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาเอ็นเกตพุทธ่สุนทรจึงจึงเรียกว่าครอบคุมคุณสมบัติของชีวิตที่ดีขององคคุณสําคัญของพุทธศาสนา แล้อย่างถ้าคนพุททั่วไปเหมือนพุทในทะเบียนเนี่ยครับจะกลายเป็นเกตุบูติสได้ครับต้องต้องทำอะไรจริงๆถ้าเป็นชอบพุทธในความเก็นเคอมาถ้าเป็นชอบพุทธที่ที่ที่ที่แท้นะจะไม่ได้ไม่แยกตัวเองออกจากผู้อื่นหรือสังคมพระุทธเจ้ตรัสว่าเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนก็หมายความว่าการที่เราจะ ดูแลตัวเองเนี่ยให้เป็นสุขให้สงบเย็นเนี่ยแยกไม่ออกจากการที่เราจะไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเมื่อเขารักษาศีล น, นะเขาก็จะเอาใจใส่นะเกือกูลสังคมสิ่งววดลอ้อมช่วยเหลือกัน ความเมตตากรุณาของคนไทยสมัยก่อนเป็นที่รู้จักกันดีไม่ใช่เมตตาเฉพาะคนที่รู้จักไม่ใช่ให้ทานเอื้อเฟื้อเฉพาะคนที่คุ้นเคยแขกแปลกหน้ามาก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วคนไทยสมัยก่อนเนี่ยนะทำบุญของคนไทยเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเข้าวัดการใส่บาตรพระแต่หมายถึงการทำประโยชให้กับเพื่อนมนุษย์ นะคนสมัยก่อนอย่างเช่นคนเมืองเพชรเนี่ ย, วยเวลาเขาจะปลูกต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมีมีคาถาว่าเนี่ยนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานหมายถว่าต้นไม้ที่เขาปลูกเนี่ยถ้านก ม, มากินก็ถือว่าเป็นบุญแม้แต่มาก่อก็เป็นบุญละ้ะถ้าคนมากินก็เป็นทานและ้ะคือเขาไม่ปลูกต้นไม้เพื่อตัวเองเ่ยเขาปลูกต้นไม้ เ, เพื่อประโยชน์กับสัตว์และมนุษย์นะเขาคิดถึงคนอื่นด้วยเขาไม่คิดถึงตัวเองนะ อาจารยพุทธาเนี่ยตอนเด็กๆนี่แม่ให้ไปให้ไปให้ไปเฝ้าเฝ้านาก็ให้คาถากันขโมยคาถานี่ก็อย่างที่พูดมาเนี่ยนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานนะเาง้นการที่ปลูกต้นไม้ก็ดีการที่ทำนานเนี่ยเรามีนกมากินคนมาคนมากินเป็นบุญแล้วบุญเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราไปเข้าวัดไปใส่บาตรพระเราช่วยเหลือผู้คนก็ได้บุญ ซึ่งตรงนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยความคิดแบบนี้มันมีน้อยไงแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเข้าใจดีการที่ขุดสะนะตัดถนนสร้างสะพานก็เป็นบุญนะคนสมัยก่อนเข้าใจเรื่องนี้ดีมีแต่คนสมัยเนี่ยที่ที่เราไปเข้าใจ บ, บุญเนี่ยมันต้องทําที่วัดเท่านั้นและมินําซ้ําพอได้บุญมาแล้วเนี่ย จะอุทิศจะแผ่อุทิศบุญกุศลให้ใครเนี่ยบางทีก็บอกว่าอย่าทำนะเดี๋ยวบุญของเราจะ้อยจะน้อยลงเดี๋ยวนี้ห่วงงกบุญขนาดนี้นะอันเนี้ยนะนนมันมีเป็นปรากฏการณ์ของสังคมสมัยใหม่แตส่สมัยก่อนเนี่ยอาตมาคิดว่าเขาค่อนข้างจะเป็นเ n g a g ก b u บุ h i s m ไปโดยปริยาย แต่ไอ้เกเบอซึมเนปัจจุบันนี้มันมันสำคัญเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องการช่วยเหลือผู้คนบุคคลต่อบุคคลไอ้ เ, อเกเบอที่ซึมเนี่ยที่เราพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมที่เอาระตะเปรียบนะให้มีความเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันเป็นการทวนกระแสะบริโภคนิยมต่อสู้กับลัทธิบริโภคนิยมนะด้วยนะมันเป็นการพยายาม เปียนหรือแก้ไขสังคมเนี่ยให้มันดีขึ้นไม่ใช่เอื้อเฟื้อกับคนไม่ใช่ช่วยเหลือคนทุกอย่างอย่างเดียวแต่ต้องไปเปลี่ยนแปลงสังคมอันนี้เป็นลักษณะเด่นของเอิงเกตวิติซึมนะที่เราพูดถึงกันในปัจจุบันอาจาพูดเรื่องเปลี่ยนอาจาขอให้อาจารย์ช่วยพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายนอกและเปลี่ยนแปลงภายในความสาคัญกันนะครับคือคนเราเนี่ยนะ จะดีหรือชั่วเนี่ยไม่อยู่ที่การฝึกตนเท่านั้นนะแต่อยู่ที่สิ่งแวดล้อมด้วยนะถ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกื้อกูลเนี่ยไอการที่คนเราเนี่ยจะพัฒนาคุณธรรมภายในก็ยากปุจจารตัดว่าเมื่อจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างนี้ต้องพิจารณาคือมีศักปลายะไหม สัพปปยาก็ได้แก่สถานที่นะั้นสั ป, ปะยาไหมนะแ ป, แปลว่าเกือ้อกูลต่อการปฏิบัติทําไหมมีอาหารพอเพียงไหมนะดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรคนเป็นอย่างไรอิเลียบ ท, ที่จะใช้ในการปฏิบัติเป็นอย่างไรอิเลียบที่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องคนเรื่องอากาศเรื่องอาหารเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรื่องสถานที่เนี่ยคือ เ, เรื่องส่วนภายนอก อันนี้แสดงว่าผู้เจ้าให้ความสําคัญกับสิ่งภายนอกว่ามันมีอิทธิพลสําคัญต่อต่อการกระทําของคนเราแล้วมันก็มีการวิจัยมากมายที่พบว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมคนเราในลอนดอนเนี่ยเขาเคยมีการวิจัยนะเลือกย่านสองย่านที่เป็นแหล่งคนยากจนและเต็มด้วยอาชญา ก, กรรมอยู่ห่างกันไม่เกินสองกิโล ย่านหนึ่งเนี่ยนะเขามีการทำความสะอาดนะปลูกดอกไม้กระจกที่แตกก็ก็ติดตั้งใหม่มีการเก็บขยะมีการลบสีที่กราฟสสีที่ขีดเขียนตามผนังนะพยายามทำให้ชุมชนนี้เนี่ยมันสะอาดสะอา้านทำทุกวันโดยที่ไม่บอกคนที่นั่นเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น เมื่อผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยเขาพบว่าอัจฉกรรมของยานนั้นเนี่ยมันลดลงเหลือแค่ครึ่งหนึ่งของอีกยานหนึ่งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งที่ไม่ได้มีการสอนธรรมะไม่ได้มีการชักชวนคนมาฟังพระเทศแต่ทำไมในอัจาริกรรมมันลดลงอันนี้เป็นการชี้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสำคัญกับพฤติกรรมของผู้คนด้วยใช่ไหม เา้าเคยมีการทดลองอีกอย่างนี้ย่ยง่ายเนี่ยมีห้องสองห้องนะมีห้องสองห้องห้องหนึ่งเนี่ยมันไม่มีคนนะอ่ะเาตะมาอมาไหมมันมีเขาทดลองเขาาทดลองให้คนเนี่ยนะแกทดลองให้คนเนี่ยเดินผ่านห้องห้องหนึ่งไป แล้วก็สังเกตว่าในห้องนั้นเนี่ยมันมีควันไฟมันมีควันไฟออมาจากห้องนั้นถ้าแค่หนึ่งคนเดินผ่านเนี่ยจะไม่ค่อยมีการไปแจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าหลายคนเดินผ่านไปด้วยกันและเห็นเนี่ยจะแจ้งเพราะอะไรการที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะ เขาเห็นเหตุการณ์ที่ทําว่าเหมือนจาไฟไหม้เนี่ยก็จะไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าก็อยู่ด้วยกันหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกกระตือรืนน้นเหมือนกับเวลาถ้ามีถ้ามีามคนคนนึงได้ยินเสียงร้องนะได้ยินเสียงร้องเ อ, อขอพ่ายขอไห อ, อ ท้าว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยแกล้งทำเป็นล้มแกล้งทำเป็นล้มในสถานีรถไฟหรือว่าตรงป้ายรถเมล์ที่มีคนเดินผ่านเยอะคนเนี่ยนะจะไม่ค่อยไม่จะไม่ค่อยช่วยเหลือต่างคนต่างก็เดินผ่านแต่ถ้ามีซักซักมีซักคนคนหนึ่งเนี่ย ไปช่วยหลือคนนั้นไปหายาโดมไปหาน้ํามาให้มันก็จะเริ่มมีคนที่สองคนที่สามมาช่วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือตัวอย่างนี้มันแสด ง, งว่าพฤติกรรมคนเนี่ยจะดีหรือไม่ดีจะใส่ใจส่วนรวมหรือไม่จะเป็นพลเมืองดีหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นมีคนทําเป็นแบบอย่างไหมหรือมีคนอยู่ด้วยกันเยอะหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลเนี่ยมันสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมดังนั้นถ้าเราทําสิ่งของเราให้มันดีเนี่ยนะมันก็จะหนุเหนเสริมหนุนเสริมถ้าให้คนเนี่ยมีคุณธรรมหรือแสดงคุณธรรมออกมามากขึ้นด้วยดังนั้นการที่เราจะส่งเสริมคุณธรรมอาผู้คนในสังคมเนี่ยเพียงแค่ไปบอยก็ทําความดีฟังเทศ ปฏิบัติทำให้ปอดมันต้องทำให้สังคมมันดีด้วยครับเหมือนอย่างอ่อเอเธียดเน็ตไอเนปเนี่ยครับก็มันสร้างเน็ตเวิร์กผู้คนให้มามารวมกันใช่ไหมครับที่จะตัดสินความเป็นมาก็พยายามเป็นเวทีให้คนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าได้ทำอะไรบ้างแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้ง เป็นที่ที่จะได้มาพบปะเพื่อนฝูงสร้างเครือข่ายไกลนามิตเพอาะบงคลทําแล้วเนี่ยก็ท้อแต่ถ้าได้มาเจอไกลนามิตรจากนานาประเทศก็จะมีกําลังใจหน้าที่ของการประชุมไอเน็ตประจําปีเนี่ยหรือทุกสองปีเนี่ยหลักๆ ก, ก็มีแค่นี้หนึ่งเพื่อสร้างเครือข่ายไกลนามิตรและสองเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดทําให้เกิดแนวคิดใหม่ๆนะ เพราะาบางทีคนที่มาร่วมไอเน็ตเนี่ยความคิดแบบโบราณก็มีนะบางคนก็เน้นแต่เรื่องสังคมแต่บางคนก็เน้นแต่เรื่องภาวนาเออถ้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันมันก็เกิดพัฒนาการเกิดการสงเคราะห์ความคิดครับก็มาเข้าเรื่องอาจารย์สุรักษ์นะครับสําหรับอาจารย์ไพศาลแลสอนศิลปะสวรรณักษ์ใช่ไคคือใครครับ เป็นหลายอย่างนะเป็นทั้งนักคิดนักเขียนเป็นทั้งนักพูดนะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นนักเคลื่อนไหวเป็น activist นะที่ต้องการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสังคมอานะจารย์ก็ทั้งที่มามามาตลอดนะมามากกว่าห้าสิบปีแล้วไม่ใช่คิดไม่ใช่เขียนไม่ใช่พูดแต่กระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการพูด การพูดการคิดการคิดเขาอาจารย์สุัสดเน้นเรื่องการวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะในระดับสังคมลงมาถึงระดับชุมชนนะเพื่อทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลที่ดีขึ้นอาจารย์สวัเนี่ยเป็นไปนเรียกว่าเป็นโดยเพราะเมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยถือเป็นเป็นเสียงแห่งมโนธรรมเลยนะเพราะว่าเป็นตัวกระตุ้นเตือนในเรื่องจริยธรรม บุกพลังให้กับนักศึกษาปัญญาชนให้ตื่นตัวในเรื่องจริยธรรมแล้วเกิดความตื่นตัวทางการเมืองนะแต่ว่าจาร์ซวนี่ไม่เหมือนแอคทีฟิสต์ทั่วไปคือว่าจาร์ซวนี่มีพื้นที่หนักแน่นมั่นคงในด้านพุทธศาสนาและความเป็นไทยถึงแม้จาร์สัวนี่จะมีความรู้ในเรื่องต่างประเทศเยอะแต่ว่าไม่ทิ้งเรื่องภูมิปัญญาแบบไทย เพราะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยได้ตื่นตัวในทางสังคมในทางการเมืองแต่ว่าก็ไม่ลืมเรื่องของจิตใจนะจะเคลื่อนไหวสังคมไงก็อย่างน้อยเนี่ยต้องทำให้ใจเนี่ยนะเป็นสุขนะหรือว่าใจจะต้องไม่ไม่ไม่เป็นทุกข์ก็จะสอดคล้องาศัยภูมิบัรญาแบบไทยนี่แหละนะหรือพุทธศาสนานเนี่ยนะมาเป็นมาเป็นแนวทาง ซึ่งทําให้นําไปสู่เรื่องของสันติวิธีและอหิงสาในสว่วนที่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยนะจํานวนมากเนี่ยมันเป็นเสียงเรียกร้องผักดันโดยสายความรุนแรงแต่จารุแล้วเนี่ยเห็นว่าจะเรียกร้องจะเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นไงเนี่ยหนึ่งเราก็ต้องไม่ทุกและสองต้องไปเบียดเบียดคนอื่นด้วยความรุนแรงต้องใช้สันติวิธีต้องใช้หิงสาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นลักษณะพิเศษของจารุแล้วโดยเพราะเมื่อ สา4สิบสสิบปีที่แล้วซึ่งตอนหลังก็เริ่มเป็นที่ยอมรับ ก, กันมากขึ้นนะแล้วก็ทุกวันนี้อาจารย์สุรกักษ์ก็ยังก็ยังก็ยังเป็นมีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องนี้อยู่นะแล้วส่วนตัวส่วนตัวล่ะครับอาทำไมเก็เห็นเท่าที่ผมผมอ่านในหนังสืออ่ ที่ที่อาจารย์เขียนนะครับในในช่วงในเป็นในครบรอบ64 64เจ็ดรอบของอาจารย์นะครับหกรอบมั้งหกรอบครับใช่ก็เพิ่งรู้ว่ามีความสัมพันธ์กันมาอ่าตั้งแต่เป็นนักเรียนก็ก็ตั้มาก็เรียกว่ามาเติบโตได้ในทางสติปัญญาหรือตื่นตัวในเรื่องของกระมเพาะอ่านงานเขียนของอาจารย์สุนทรตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมมศ ส, สามคืออายุประมาณสิบห้าิบห แล้วก็เป็นเป็นเป็นคนที่ติดตามงาน อ, งอาจารย์สุรักเรื่อยมาเรียกเป็นแฟนคันแท้นะจุดทั้งที่บวชนี่ก็ก็เพราะการสรับสนุนจาก อ, อาจารย์สุรักแล้วก็ที่บวชเล้นนานนี่ก็เพราะอาจารย์สุรักนี่ช่วยอุปถัมภ์สนับสนุนด้วยในในแง่ความคิดแล้วก็อีกหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นนิยบุญของอาจารย์สุรักมากในเรื่องของของเส้นทางชีวิต แล้วก็ความคิดสติปัญญาอะไรอย่างก็ก็มีพื้นฐาน ม, มาจากงานคิดงานเก่งมาจากสุลักมาแล้วที่ธรรมาสนจาพุทธศาสนาอาหิงส า, าสันติวิธีเนี่ยก็มาจากสุลักเพราะฉะ น, นั้นนีก็เรียกว่าได้ได้ซึมซับรับเอาหลายอย่างจา ก, จากสุรักนะแต่มีบางอย่างก็ไม่อยากจะรับมานะ <laughs> มีความทรงจําอะไรบ้างไหมครับดีๆทั้งดีและไม่ดีครับที่ที่จาได้ติดใจเกี่ยวกับอาจารย์นะครับโอ้ความทรงจำดีๆก็มีเยอะนะโดยเพราะอความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกมันรู้สึกตื่นขึ้นมาความรูสึกมีชีวิตขึ้นมาเมื่อได้อ่านงานจารึกใหม่ๆสมัยยุคสิบสิบห้าสิบหกเนี่ยมันรู้สึกชีวิตมันเปลี่ยนเลยนะและถือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเนี่ยเหมือนกับตื่นตื่นจากหลับนะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ยัง เวลาผวนึกถึงไปหวนนึกถึงทีายก็รู้สึกว่าเออมันเป็นช่วงชีวิตที่ดีๆนะแต่ความสึกที่ไม่ดีก็มีนะเวลาถูกอาจารย์สุรักด่าเนี่หรนะืออาจารย์สุรักไปด่าคนอื่นนี่นะบางทีเห็นตอนหน้าตัดตามก็เราก็สึกโอ้หดหูวเหมือนกันนะเพราะว่าอาารย์สรักเวลาโกรก็โกรดแรงนะซึ่งบางทีเราก็เห็นมันไม่น่าโกรกขนาดนั้นนะ มองอย่างหนึ่งว่าอย่างมองได้ไหมว่าอาจาสุรังเดินทางของก็เป็นเหมือนวิธีของพระโพธิสัตว์อะครับท่านก็อยากช่วยคนให้สังคมให้มันดีขึ้นถึงแม้จะวิธีจะแบบจะจะเป็นสไตล์แกมากไปหน่อยหรืออะไรเงี้ยเออแต่ว่าอาจารย์เขา อ, อยากช่วยคนอื่นนะแต่ว่าตัวเองก็ทุกข์มากทุกข์เพราะความโกรธทุกข์เพราะความไม่ได้ดังใจเนี่ยนะก็ที่จริงเนี่ยอย่างอาจารย์สุรังเนี่ยนะ เออนอกจากเป็นประโยชน์แล้วต้องสงบเย็นด้วยนะที่อาจารย์สุรักษ์ก็สอนพวกเรานะเรื่องพวกนี้มากทีเดียวนะแล้วเราก็เห็นว่าเห็นด้วยนะว่านอกจากเราทําระโยชแก่ผู้อื่นแล้วเนี่ยเราต้องไม่ทําร้ายตัวเองนะใจเราก็ต้องสงบด้วยแต่บางครั้งก็เห็นอาจารย์สุรักษเนี่ยนะใจก็ร้อนนะทั้งที่ทําเพื่อผู้อื่นนะแต่จะมาจะมาเชื่อนะถ้าอาจารย์สุรัไม่มีธรรมะนะแกคงจะทุกข์มากกว่านี้นะแล้วก็คงจะทํา ผมจาไปเบียดเบียนก่อปัญหาผู้อื่นมากกว่า น, นี้แล้วนะหรือไม่ก็เสียพูดเสียคนไปแล้วใช่ไหมหลายคนที่ทําเพื่อเระ่ยชน์แตส่วนรวมนั่เสร็จแล้วท้อเสร็จแล้วกลายเป็นคนเอาเปรียบในสังคมจากนักศึกษาที่ยอมตายเพื่อสังคมกลายเป็นนักการเมืองที่เอาเปรียดคอร์รัปชันเนี่ยอาจารย์ซ้อนเนี่ยไม่เหมีอย่านี้นะเพราะว่าแกมีธรรมะถ้า แ, แกมีธรรมะนี่แกคงจานะถ้าแกไม่ไปทําร้ายคนอื่นด้วยความโกรธ มากกว่านี้แล้วเนี่ยแกก็อาจจะทําร้ายสังคมได้ซ้ําอาจจะไปขายตัวนะไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นนักการเมืองนะแล้วก็ใช้ความรู้สติปัญญาที่แกมีเนี่ยนะเพื่อสนองประโยชน์ส่วนตัวซึ่งอาจาซ้อนเนี่ยนะดีในเรื่องนี้มากนะแต่ตรงเนี้ไม่มีคือจะทํานี่ได้ต้องมีธรรมะนะถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าแกเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไม่เคยอยู่นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยแกทําหลายอย่างนะ ที่ที่คนในสถานแบบแก่เนี่ยทำได้ยากถ้าไม่มีธรรมะสุดท้ายอาจารย์คิดว่าอย่างความธรรมะของอาจารย์สุรั์เนี่ยมี ม, ม, ม, มีตั้งมีใใตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย์โอ้ยตั้งแต่เป็นเนรนั่งเป็นเด็กแล้วอาตมาคิดว่าตั้งแต่ตั้งแต่อาจจะตั้งแต่เข้าโรงเรียนสำชันเลยก็ได้ที่จริงได้พอดีนะ ได้พ่อที่ดีพ่อแกใกล้ชิดกับพ่อมากแล้วก็พอได้เข้าในสำชันก็ได้เห็นครูดีดีมัสเตอร์ดีดีเห็นอธิการหรือว่าบราดเดอร์ดีดีที่ประทับใจเมื่อ็าจาป่วยนะแล้วก็แกอดีจารยส์คือแกสนใจวัดวารามก็มาบวชเนยบวชเน้ก็เจอพระดีนะเพราะนั้นแกอจารัสด์เป็นคนที่ซึมซับของดีดจาก2ออริยธรรม ได้มากทีเดียวคือซึมซับจากคริสแล้วก็จากพุทธนะแล้วก็เป็นเป็นคนที่สามารถจะเป็นสะพานเชื่อมให้กับคนรุ่นใหม่ได้ให้มาเข้าถึงสิ่งดีๆนะไม่ว่าของเก่าหรือของใหม่นะักคิดใหม่ๆเนี่ยนะพวกเราก็รู้จักผ่านจากสุลักเยอะ อันนี้รียวว่าเป็นสัมพาน์เชื่อมให้คนรุ่นใหม่ได้พบสิ่งที่วิเศษทั้งในทางสติปัญญาหรือในทางศิล ป, ปะสุนทรียะอันนี้อาจารย์สุรเนตรมีแล้วก็เด่นมากนะจะทำม้ได้เพบาใแกก็เป็นคนที่สามารถจะซึมซับรับเอาของดีๆของของวิเศษประเสริฐเนี่ยจากอริยธรรมทั้งพุทธทั้งคริสทั้งเก่าและใหม่ได้ ในตรงนี้ก็ทําให้ธรรมชาติาพุทธศาสนาเนี่ยนะก็มีส่วนหล่อล้อมจัสมุลักไม่น้อยทีเดียวดังสิ่งเหล่านี้มันก็แสดงออกจากงานเขียนของจาสัสมุลักณเดือพในช่วงสามสิบสี่สิบเนี่ยนะั้นจะมีจะมีกลิ่นอายของของธรรมะของพุทธศาสนาในงานเขียนวิพาควิจารณ์ที่ร้อนแรงนะได้อย่างซึ่งประสานกับอย่างกลมกลืนซึ่งทําให้มันปลุกพลัง ปกไฟในใจของนักเรียนนักศึกษาเมื่อสี่สิบ ก, กว่าปีที่แล้วได้อบครั